แต่ถ้ากระแสรูปกระแสนามมันไม่ครบวงจรตัวรู้ของเราก็จะเฟดจะฟอจะเบาลงไปตามลำดับเพราะฉะนั้นต้อปรับกายกับใจแล้วไอ้ฉันก็รู้สึกตัวอยู่นะฉันก็คิดอยู่นะมันหมายควว่าถ้ารู้สึกตัวจริงๆแล้วเนี่ยความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แต่ในกรณีที่เราจะเป็นต้องคิดเรื่องการเรื่องงานเรื่อง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 ดังนั้นในช่วงช้านี้ทำความเข้าใจในเรื่องประโยชน์อ น, นิสงส์วิธีการขอ ง, ของวิอธีการทาอย่างเนี้ให้ชัดเจนเมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะทาได้ดีนะแล้วไม่ลังเลไม่สงสัยแต่ในช่วงที่ทำในะช่วงตรวตรวษทีเกิดความลังเลสงสัยอะไรขึ้นมาปั๊บก็ถามตดถามได้เลยนะหัวอาจารย์ไม่ว่าตมาอาจารย์โคปิตก็อยู่ใกล้ๆอย่างนี้ก็มีอะไรก็